ฉันเกลียดสายตาพ่อเธอที่มองฉันฉันเกลียดสายตาพ่อเธอฉันเกลียดสายตาแม่เธอที่มองฉันฉันเกลียดสายตาแม่เธอ ฉันเกลียดสายตาพี่เธอที่มองฉันฉันเกลียดสายตาพี่เธอฉันเกลียดสายตาเพื่อนเธอที่มองฉันฉันเกลียดสายตาเพื่อนเธอเห็นฉันไม่ดีนะหรือไงหรือฉันไม่เป็นอย่างใครคนไหนเห็นฉันแค่ตัวไม่ดูที่หัวใจ ฉันเกลียดสายตาของเธอที่มองฉันฉันเกลียดสายตาของเธอฉันเกลียดสายตาทุกคนที่มองฉันฉันเกลียดสายตาทุกคนเห็นฉันไม่ดีนะหรือไง คด่า